บุ๊กทูหกสิเกต้องการอยากต้ т งการอฉันต้องการเตียงไม่ไ і ้ต้องการเตีย ดิฉันอยากนอนอยากหกชุดสที่นี่มีเตียงไหม้ตุ๊ดเยลิชกดิฉันต้องการโคมไฟไม่เนปติบนาลัมปาดิฉันอยากอ่านหนังสืออยากานหกชุดชิ ที่นี่มีโคมไฟไหมยุดิฉันต้องการโทรศัพ ท, ท์ดิฉันอยากโทรศัพท์พที่นี่มีโทรศัพท์ไหม ดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูปไมิ่ตรีน์ฟต่ออดิฉันอยากถ่ายรูปยวที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหมทุกเย่ฟุต่อปารดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์มิ่ตรบคอมพิวเตอร์ ดิฉันอยากส่งอีเมลอยาก н อดู л е к ส่ о ข้อความอีเมลที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหมใช่ у т ่นี่มีคอ к พิวเตอร์ดิฉันต้องการปากกาลูกลื่อนไม่ต้องการปากกาลูกเลื่อนดิฉันอยากเขียนอะไรหน่อย ที่นี่มีกระดาษและปากาไหมทุดที่มีอาร์คูช์ปาเปอร์และุ้ยคัรุ่ก็